กวนอะไเวลานะถอนตทิ้งออกฟังก็น่ายบอคกูฟังเกาท่ามท่าทสอนของโอปุติเจ้าสี่คนสอนในเหดน้ำโอพุติเจ้ากูยังยืนยันเห็ดน้ำโปุติเจ้าออกฟ้าสดลงหาชิ้นหาพรมานักหนาหนีเห็นในมูแดงจำนั่งมาบอกกูอึน พระพุทธเจ้าสอนหน่อยสอนอย่างบน้อมสอนน่อยทบุญทบุญ่บ้านก็ได้ทำขอบฟ้าที่บ้านบุญไหวพระพุทธเจ้าพะตรูปาทวเทียูปปาสรีมิพานรูปปาประตููบ้ายุกายครับ่บ้านบุญไหวนะว่าบ้า บ้านเอาวัดวัดบ่านนั่งวัดบ้านี่เดี๋ยวนี้บ้านนี่งวัดก็เมือนตเเป็นวัดบ้านเลยะแน่รักษาเขาไว้ไงบางแน่พระเจ้ากระดุม้บว่าก็เป็นคนร้ายว่าคนเราไล่เอกจาก้าจะรักษาทำทำตนของผู้บุญเจ้าเอาไว้จากอนกิชาจากในวิชาทำปุ่นกระทำทานคนระยง ทำบุญอาหารใจท่ทำ้ามอาหารใหญของแ ก, กงกายยีตะยังตอนนั้นพัฒนาอาหารกระนุเกงห้องที่ดูอาศัยการรักษาโลกทำเป็นได้ปุ๋นทำเป็นได้บาปทำปุ๋นเป็นทัานใดทำปุ๋นซือถูกต้องทำเป็นบาปเป็นท่านไดถูกใจ พารกบามากโนวะ่าเหลือพระนรสงอีจ <göster ges response> mm ับดจดด็ดใถวยใ่จานให้พระสงข์สรรผิดทำยังไงอี่เจ้าหมายสรรได้ฝาหาพระเขามากสหรับลูกาคนสงนได้ประจักรบานมาแล้วประจักบนเฉพาะประบานใส่สรด็เดี๋ยวมีทาง ร ง, ง, งตัวเฉียวตามรงกับน้กรในน้ำวัดนวเจต่พัทเสียพระผุ้ทรงพระผุ้รงถือถุอถงขวัดเจติพัทเสียมขัเป็นบาทะจ๊ทำอะไรคำหนึ่งถึงคได้แต่คํานึงถึงคเสียจะเกีเเว่ามดเกียแล้วคือมาทํ้งคุณนั่นเองแล้วันถือควาได้บุนะเากะเด็นตัวยามใจห้อง เป็นตัวอย่างของลูกของหลานเป็นตัวอย่างของคนอื่นเองช่วยพระสงฆ์รักษาพระพุทธศาสนาสมมรัพิธีบุญกับพิธีวันมิพระหงพอพว่าดิ้ินมลงไปเราญามาพิพมัดยิน ม, าา ก, มนนกันเถียงกันตีปากกันเพราะเป็นหังแต่ท่างพระพุทธศาสนาทุกวันนั้คนมาดูามาสมัยนัน้กูไ่ได้แถียงง่ายไม่ได้เถี ย, ห, ยหลาย เส็จงานอยู่งานฐานัน้ัดรัตน์ราทานเอาแ่หนารัตนธรรมพุทธธรรกั้นธรรมพุทธกแล้ไปเนี่หนักข้าแเราเ็นแน่น้าบัดนตองสร้างประนานาบัวเรียเขียนอ้างแตจะไปนี่อเรากงันหลเป็นตัวอย่างเวลาวนรูปน้ำบุญบาปน้ำกระดี่แลว นะพอดแต่อแต่ขาวัาขอว่าหลายนำขอพ่นสาแต่จะเป็นแดงแข็งแคนทูบแข็งเท่นแข็งพอดล้ำธบคแข็งลูกัวโลบเปนน้ำวัดขอว่าหลายเรื่องคนหนึ่งวัดผกูก็งามดอกจุติกรรมชาวไทยขาพูว่าเรีก่ตแดง่องดไหมายงาก็่ห้ามงน้อยม่งน้อยเท่าวัด เมื่มันีกคือบงแคงนพิธีกรรมทั้งวัฒนตรนมใครแต่งตัวเรียบร้อยใครเข้าวัดถูกต้องทิศพระภากษุถนมมือเข้าแหงแล้วจะดอกไม้ทุกแยบเลยนขายน้าวัดมมูอเะไรน่ะหขึ้นาบ้าหากินเหล้าอาตีกันหาขโมยกันจนไปจากมือพูเจ้าห่อยองมือนอมมือตามไ้เลยวัด จรบโบกปอนไม่ด้แค่ไม่ได้ต้อถือถุงมือด้วยจะได้นตลอดจ่ได้ต้อายตอนัรถรบได้ร้อนด้วันรกเผาด้วสิ่งนั้นนำกลบเด้อวายเด้อได้ทได้เก้าอกรรวมีไปสมาสแล้วหมดมือัว่วดเส้วานี่ราูดเตหัวเป็นนั้นละ น้องเว่ย <inaudible> <74. S 2> ีอนหมอผมออก็อเขาบอกของวมวกายอัานอกถึงวัวม้าจ้าจิมินาตะกาเรียนนะใจยกข้อนมือกี้ยังแอวๆออยู่วุ้ยจากปาออกเท่าเมตคุยกันว่าดัดยิ่งว่าใจบุญแคนนู้เทวดาฮู้ว่าก็ได้ราตรน้าตรียว่าก็ได้ เรานี่่าชาวไทยาวพุทธเราแบบนย์อาเจ้าก็ดังประเทศต่อมาเกิดพราอาศัยไปบุญรักครามศรัทธาประเทศไทยเมืองไทยเมืองพุดธตขอมามิถักงวงเขาเขาบอกตอนนี้ตรงน้นมีนเริ่มนงนั้นือใกล้ไปจะต้องมู่กุ้ก้มาตรงแล้วเป็นว่าทแก ความสวยควางามความขืนเขาก็ามขืนราทาความนี่สต่เราขมาเุ็นทาคป็นพอรุ่นไส้ใกล้บักศาสนาเมืองไทเมืองพุทธกัถือศานาเกสิบห้าตัวเต็จะหายวะวิธีการทางศาสนาทำให้กัปษาไว้ไหมกระช่วงกัปษาุตสานาีจะข้นเหืองประมาณของประเทศชาตบานทิฟฟานีทุกหมู่บ้านนี่กอำเภอ เนในทางิรัฐาสนาไหมิธีกรรกิจกรรมวัฒนธรรมทางมูมิัศาสนาควรศึกษาตัวเร่ิตรเรื่อทานก็รอบแรกพระนั่งอยู่ในูแท้สอนกนสอนทาบุญตลอดนักทานทุกสุยานตวจน้ำดองเว้นพตันี้พด้ วันนีงพอเาหนที่อาทตยะว่าเอาสอนของคเจ้าว่าองยากแน่นอถ้าทํบบุญทํบุญอาหารใจจะซือนเอาใจรมเนนก็่มะซื้ปาสมจดีแล้วเห็นร่จะเห็ใจเห็น้จจเบุญ้ใจจะที่อาอ๋ออาใจเป็นต่อขก็เนแล้วเกิดมา เลี้ยงใจแท้ใจให้อาหารใจมือนึงเียวอกันให้องันันงอาหารใจันนึงใส่อาหารกายขอแกายให้เ็กน อยากขอใจเนาะใจกวงยากเกิดมากเป็นมนุษย์ากพบพุทธศาสนายากปฏิบัติธรรมาสอนของพุทธเจ้าเพื่อพกเกิดแก้แตโคน้านไาาคนว่ายตายมี่มาจะหาหมอจะหาหมอไ้ได้นเลตายแล้วหายแล้วผมมมตายแล้วมมัเกิดอีจฉาอออวิง็เดี๋ยวรองไห้ของคระพเจ้า ต้องกรักษาใจถ้ารักษาใได้วันวาเกิดแกตายยังไสอยู่เพราะเธออ่ที่น่ตาิ่งท่นมัสาาีหน่งงนึงนาที่ก็บอตัเ่นาทีล้อปีใหมีใลงู้นได้มือมใหุ้กมือใหุ้กมือ่กเอา ทางหลักองคจากพิชิกชตกตคือเมาทำ บ, บุญทง บ, บุญใจยุ่งก็งบบงงเมื่อปรนะตัวได้รับสม่คอเขาคำประกาสชิมลยาผิดได้รับข้หนเน้ายก็ไปเรื่อหัวใจแลวก็ถานเขาไปวุ่นไปวัดทัพ บ, บุญบ่อนในทัพชนีมีสมาธิต้อมีปัญญาค ว, วามรอรู้ผิดถูกมีชั่วบาปบุญคือปัญญา ว่าก็รู้สวรรค์ก็รกคือปัญญาสวรรค์ใต้โขกมันรอดในใจที่ว่าผมใจจะเสียเถี่็นได้ไหนบางเห็นว่าเจ้าคําในเว้นเขาไปถามยางเสียชีวิตแล้วยายตาตั้งโขตืนใจว่าจะไปปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าทาสมาธิภาวนาทาบุญเคยทาบุญไหมเคยดูใจไหมเคยแต่งใจไหมเคยเห็นสวรรค์ไหมนิดดี บอกเขาไปเยมาจากเงนหนตาอยาจากเงินว่าพวกเจ้าคไปกับไปมารวบถูกจกพวกประเทศโลกนี้คือมารกบลำรวยสวยงามคือนรกบละเอียดดีนี้หงจาว่าลำรวยสวยงามคือนารวบตาโลกอีกเยอะหนึ่งจากสมรวยจากรวยจากคนรวยจากสวยงามที่นี่เนาะลรวยสวยงามเพราะเราทำนนะ ที่เรืนั้นทะเะกันแต่พูดมาเยอะพูดมวยงั้นเพราแม่ักผู้เลียวดแต่นั้นหลายกันดบแต่ผู้น้หอยันนว่าลูเรทละก็แย่กันการอกสมี้เ็นหามันเป็มาธิเมีปัญหาจนันทีเป็นแยกแกกในน้ตัวสมาธิหรือบุญบุญยอดคความผู้ทาบุญ บุญยอมรักษาผู้มีบุญไม่หตกทุกข์ได้ยากต้องเพื่อทุกนี่ต้องจังใจแค่ทนี่นี่แต่จงปลดปลดปอดปลดพลักนี้พลังปลุยนี่จปัหาปิดฉากปิดฉากประทบอาฆา้ก็จงสาบกิจกันจงสากิจวาเอาแล้วก็บอกน้องหกน้องเป็นความจรถูกไถามมา่รเมืองนั่ เกติตอนพ่อแม่พูนยาจะได้จนลูกานไปอยู่ประเทศตมางๆตางๆอารมณ์ซโอ้ยประเทศต่างๆดีวีจะลงพูกันเพรี่จะดูปัจจัยนะครับถ้าพอแมซื้อของก่อนหน้าซ้องต่างเทศเขาบอเป็นซุ้มเก่านะยงว่าเก่าเกินกวากหน่ ปุย <S preach science> ์ต <ugly> ัญาจนองเลยเดินทางไกันมากมากินข้าวเลิกินข้าวรถไปก้านเฮาีพ่อแม่จีนองกินนั่นเพาไันบมีเงของหาลูกหลานเพได้หาพี่หาน้องเพไรน้อนลองสมาสาที่หาต้ถูกเพได้รอํามาหาอยู่เฉ่สะวบายทมาหาอยู่หาจินหานากเท่พสบายเพราะม่มีธรรมะ ก็นับถือพิพิธมคปัญาตผูคนผู้ต่อผู้แก่ผู้หนุอยผู้นุ่งเห็นว่าจะรู้จักก็้เราพ่อแม่ก็จ้สอนเนม่นได้จ้างคนมาเลียนาะคนมาเรียนททานใจูกจัาเพื่อจูงใหม่เอาอยังก็ต้องให้มั่งก็ไปตามใจชอบได้ถือพ่อแม่พราว่าช่างเปนเพราเียนกามาเรีนหนังกามาเห็นแล้วพ่อแม่ทะลากันใส่หมูด ว่ไประปาตนี้้นจุกนะว่าทมกุาลักล้งให้ปลูกลักลูกให้ตีพี่ผู้เจ้าผู้เจ้าอกนออเห็นผู้สาวผู้เจ้ายกมือสกหัวกุลาต่อที่ขาน้องก็ได้น้องตาทีได้สมุดเป็นทนที่ห้างไปห้างรถไปคิดใจคน นีตัวน้องนักออกเด็กคนนี้กันเนานอเอื้นคิดใจไปทากันได้เท่ไปอิจชาิยาเพระได้บาทอาคาติดีมนิศธาตุน้องจองดำดำเว้นไหล่จะเียเห็นว่าต่างทำนหัวใจเท่ดำเว้นทำหึกที่สบดำสิท่านยังล่างแขนแก่แคกนะคว่เก็ดแก่คว่ำตาแดงเป็นคนน่าดแดงกันเด่ บางคนก็ต่ใจน่าจินหัวมุเชหางจะมีมุเชี่ยรำจะว้ยเด้อนะเห็นว่าคาสัตย์ศีกคําำวาจาศุภศีดาจะได้วาจ้เป็นสุภรีดกวบกมาเป็นสุสศีดตัวเจ้าทงโลกก็วบเป็นสุภดที่ที่กรรมทั้งหมดศาสนาจะเด็หนึ่งมดเขาวัดทมบูรณ์นะก็เปนทัพที่มีเต่พระติดัได้ วิธ yeah. ีรู้บาปบุญต้องทำทิศยะบุญทำบาปบุญเรืกิจกิจใจทิศยะเานบาอาการจิตใจมัวหมองสมมติน่นเปทุกข์จิตใจจิตเดี่ยไปแต่งได้ฉันถานร่างกายของปวดของเน่ามากกว่ของวดของเน่าควรจะของกบกับเน่าพอของปวดของเน่าพอของที่ป่วเคลื่อนัวายได้จิตแต่งดีเด้๋ยอแม่พูได้ ไปบ้นแล้วกไปทำอะไรแต่แน่ว่าผมขนเล็บพัดน้เปลี่ยนในแดงในเรื่องขนตาเปลี่ยนในขน้าเปลี่ยนในขนนั้นเด็กมือเปลี่ยนในสรวัตรน่ะเด็กมือเดียวสามสีสีแถวนี้เปลี่ยนในสรวัตรเด็กต้นแถวน้ยักษีนียักโคนอ่อมใช่หรือไยักษ์นี้คือผู้หญิงยักโคนอ่อมคือกุ้งได้ว่าม่จะไล เือเวรแถวว่ะแล้วก็โก้เจมในใหม่แล้วพี่ยิ่งเจตในหม่เที่ยวทำนับมาโลกาพินาแล้วไปคิดเรื่องความมั่งมีล้ำรวยสวยงามสนุกทุกสบายชอไใส่ผ้าหากันวนี้หลักพศาสนาเยหัวใจจะพีหลักวิชาดิจิบาเปาราคาเก็บเงินทาอย่างมากาอยู่ได้น่หารล้านปีนี่ ก็เลยยากแค่เมียที่นี่ควอ่ขาด้นคนมีนี้ทุกที่ถูกคือคนมีนีบัตรสมุทุกทีถูกคือยืมไม่ได้นี่เป็น่งกายี่ก้นถูกคนบวชเหรอคำของคนชอบกได้ยินสิเกิดแล้วแก่เจ็บตายใจวแก่พวเจ็บพตายคือพวเบิ่งของเรียใจบวกนีซือ กเขาเราเรานะพวกเราประมอนตามาที่อาแล้ประเทศของข้างนอกกูมีคนทุ่กูทุกคนอาหารที่ต้องมีต้องวางมีอ้มีจำเนมีเรียนทุกเืีอนทุกเดทแต่ตายทุกคนหน้าเละกอุาที่สุดยอดอาจารย์ว่าอาคาะสอบับต <y> AH so ัเเ so so ่นบ่มีเขาบ่มีผู้เฒ่าผู้แก่บ่มีพีมีน้องบ่มีคูต่คุ ธรมาหายที arias, ved, ่พอดีมเบิยดลอดเพื่อนาทุ่มกุศลตะโกนยิ้มบราณจะได้น้องตาลนนำภูรพอโดยเฉพาะอบัวในบ้านนี้จะเป็นขอบัวที่สมัยหลูยายน่อยู่งานนั่งกุศลย่างมีที่สำนวนกินบุาป่านอนนั่งนี่งานใดงานใดว่าเด็จหลปู่ในพรหมแดกุบารเส็จตรงท่านหลวงปู่เลขาทบุญหลไดู้่า หักษานขนรถมันีัประเพียงพอแม้เพื่อให้ประทัมนั้นติดกันน้อคนคุณะบการทำบุญท่ทาน้บาตรน้องและทำทานและทาบุญนั้นแตก็ใจเป็นบุญกุศลี้าทุกคนยึดแล้วบุญกุศลของคุณพระคุที่จะคุณะทำคุณระส่งและพวกหามเลแทมาแล้วจะมาร่วกันเป็นผู้ปองพู้องอุรรว่ย่อมาณจะสิ่งสีอนองกุศล ลวกคเ่อรถไฟตุใจมาจากภูตัวโกไฟงามสั่งเงินทิ้งไว้ศนาทิ้งเงินไว้จตงสํามเร็ดจตเด็ดจกางกงมาศาสนาตลอดถึงนมคำคำสอนของพระพุทธเจ้าอดลงผ้ากรชั้นพบตังใจปฏิบัติตามถิ่นาสัำคสอนของพระพุทธเจ้าดูถิ่นในถิ่มแล้วก็จงนี่จงคิดวงใจได้เห็นมักเห็นโผล่เห็นตะวันเห็นปฏิบัติให้กัทุบนทุกนี ก็